สัปดาห์นี้ถึงหน้า615 <c oughs> <c oughs> เป็นสายปฏิจจสุบาทที่เชื่อมกันจนเป็นวงรอบพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสะวะเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลาย สำหรับบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่มิใช่สำหรับบุคคลผู้ไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความส grind, ิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งอะไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีแก่ บ, บุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่ว่ารูปคืออย่างนี้อย่างนี้ เหตุให้เกิดรูปคืออย่างนี้อย่างนี้ความตั้งความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งรูปคืออย่างนี้อย่างนี้และว่าเวทนาคืออย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดเวทนาคืออย่างนี้อย่างนี้ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งเวทนาคืออย่างนี้อย่างนี้และว่าสัญญาคืออย่างนี้อย่างนี้นะพระองค์ก็จัดเหมือนกันทั้งสัญญาสังขาร แล้วก็วิญญาณนะจัดว่าวิญญาณคืออย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดวิญญาณคืออย่างนี้อย่างนี้ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งวิญญาณคืออย่างนี้อย่างนี้นดูก่อนพิกษุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีแก่ บ, บุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แล <c oughs> คือใครรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งขัน5เนี่ย รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ารู้จักตัวมันรู้จักเหตุเกิดนะรู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้ความเสื่อมของมันนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักว่าเช่นเวทนาสุขเป็นยังไงทุกเป็นยังไงและรู้จักว่าเหตุเกิดของมันคืออะไรเช่นว่ามีผัสสะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามเวทนาจะเกิดขึ้นพอใจไม่พอใจหรือสุขทุกข์จะเกิดขึ้น แล้วก็เห็นความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งสิ่งสิ่งนั้นคือความตั้งอยู่ไม่ได้ของรูปตั้งอยู่ไม่ได้ของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกอย่างเสื่อมไปหมดนะให้เราสังเกตว่าทุกอย่างเนี่ยเดินไปสู่ความเสื่อม <c oughs> ถ้าเราเห็นอย่างนี้นั่นก็คือตัวโสดาปฏิมักนั่นเองโซดาปฏิมัก ค, คือที่พรเจ้าตัดว่า มีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเห็นนะมันจะเหมือนกันเห็นการแปรเปลี่ยนจะเห็นการแปรเปลี่ยนได้ก็ต้องรู้จักตัวมันแล้วก็รู้ว่ามันมีการเกิดขึ้นมาในใจเห็นการแปรเปลี่ยนของสุขเห็นการแปรเปลี่ยนของทุกขก็ต้องรู้จักสุขรู้จักทุกและรู้จักว่าสุขนั้นมีการเกิดขึ้นทุกนั้นมีการเกิดขึ้นเพราะเดิมเนี่ยอยู่อุเบกขาสักพักสุขเกิดขึ้น ก็ต้องรู้จักสุขและก็รู้จักการเกิดของมันแล้วก็ผู้นั้นตามเห็นความเสื่อมของมันไป <c oughs> ถ้าอย่างนี้สิ้นอาสวะได้นะเรียกว่ารู้อยู่เห็นอยู่เป็นบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่นะ <c oughs> ท่านก็จัดต่อว่าตรงนี้ท่านจะไล่าสายปฏิจจสุบาตตั้งแต่การสิ้นไปแห่งอาสวะนะ ตั้งแต่วิมุตติยันทศนะวิราคานิพธาไล่ไปเลยตรงนี้เป็นเป็นประเด็นที่สำคัญที่ <c oughs> สองข้อแรกเป็นประเด็นที่สำคัญที่บ่งบอกให้เราทราบนะด้วยบทพัญชนะว่าตัววิมุตติยันทศนะเนี่ยก็เป็นสิ่งมีที่ตั้งอาศัยนะทำให้เรารู้ว่ า, าในวิมุตตเนี่ย มีเหมือนมีสองหนึ่งนะละเอียดเท่ากันแต่มีวิมุตต์และผู้รู้ในวิมุตต์คือวิมุตติอันทัศนะนะดูก่อนพิกษุทั้งหลายเมื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายมีอยู่ญาณในความสิ้นไปแห่งอาสวะนั้นย่อมมีนะเพราะฉะนั้นถ้ามีการสิ้นอาสวะผู้ที่รู้ว่าสิ้นอาสวะเนี่ยต้องมีนะ <c oughs> ดูก่อนพิกษุทั้งหลายเรากล่าวยานแม้นั้นว่าเป็นยานมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ยานที่รู้ว่าเราสิ้นอาสวะเนี่ยก็เป็นธรรมชาติมีที่ตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่มันตั้งอาศัยในอะไรพระองค์จะบอกต่อดูก่อนพิกษุทั้งหลาย ก, ก็อะไรเล่า เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของยานในความสิ้นไปคําตอบพึงมีว่าวิมุติคือทำเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของยานในความสิ้นไป mm. เพราะฉะนั้นวิมุตติยาณทัศนะเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในวิมุต mm. ผู้ที่รู้ว่าตัวเองสิ้นอาสวะเนี่ยจะตั้งอาศัย <c oughs> อยู่ใน วิมุตต์คือสภาวะธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับนอันนี้ภูเจ้าก็จัดไว้ชัดเจนดูก่อนพิกูุ์ทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้วิมุตต์ก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่นีดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิมุตต์คำตอบพึงมีว่าวิราคะ คือทำเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิมุตตนะ์ตัววิราคะเนี่ยความจางไกลความจางไกลหรือความสลัดคืน <c oughs> ในขันห้าเนี่ยถ้าเราสลัดคืนซึ่งขันห้าเนี่ยนั่นแหละคือทำที่เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งวิมุตตนะ์และเมื่อถึงวิมุตต์ก็จะรู้จักวิมุตติยานทศนะก็จะมียานในการสิ้นไปแห่งอาสวะและตัวยานนั้นเนี่ย ก็คือตั้งอาศัยในวิมุตินั่นเองมันเหมือนกับตัววิมุติยันทัศนะเนี่ยคือคือความเป็นเราทุกทุกคนนะและความเป็นเราเนี่ยตั้งอาศัยในสภาวะธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะว่าวิมุติเนี่ยคุณสมบัติของมันคือหนอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดสองนวโยปัญญาญติไม่ปรากฏมีการเสื่อม นัติดตัสรายถังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแสดงถึงความมีอยู่ของมันว่าขณะที่มันตั้งอยู่เนี่ยมันจะไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแสดงถึงความเป็นภาวะหนึ่งเดียวของมันนะไม่มีภาวะอย่างอื่นเลยเกลี้ยงเกลี้ยงนะและภาวะนี้ไม่เกิดไม่เสื่อมเมื่อไม่เกิดไม่เสื่อมไม่ต้องพูดถึงดับดับไม่มีแน่นอนเพราะเสื่อมมาจากเกิดถ้าไม่เกิดก็จะไม่เสื่อมนะ อย่างกระดาษนี้มันขาดได้มันเปื่อยได้ผุพังได้เพราะว่ามันเป็นกระดาษมา <c oughs> ถ้ากระดาษนี้ไม่เกิดมากระดาษเสื่อมไม่มีถ้าจะไม่ให้กระดาษเสื่อมอย่ามีกระดาษขึ้นมานะหลักเดียวกันเพราะฉะนั้นตัววิมุตต์เนี่ยเมื่อมันไม่เกิดมันก็จะไม่เสื่อมก็ไม่ต้องพูดถึงดับนะ <c oughs> ตัวยาในความสิ้นไปก็เหมือนกัน พระเจ้าจะไปตรัสไว้ในอีกประสูตรหนึ่งว่าวิมุตติยันทัศนะเนี่ยก็คือเป็นภาวะที่ไม่มีการมาการไปเมื่อการมาการไปไม่มีการตายและการเกิดก็จะไม่มีเมื่อตายเกิดไม่มีพระเจ้าก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรอะไรในโลกนี้ในโลกอื่นในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกพรนะ <c oughs> องค์ก็จะตรัสอธิบายเกี่ยวกับ ตั้งแต่การสิ้นอาสวะไปนะว่ามีภาวะมีภาวะของความสิ้นอาสวะสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับและสภาวะที่เป็นญาณอย่างรู้ว่าตอนนี้หลุดพ้นจากขันธ์ทั้งห้าแล้วนะอ่านั้นเมื่อหลุดพ้นจากขันธ์ทั้งห้าแล้วสิ้นอาสวะแล้วคือสิ้นอุปทานความยึดมั่นในขันธ์ทั้งห้านี้แล้วก็จะเข้าถึงสภาวะของวิมุต และตัวยานตรงนี้ก็คือนิ่งไม่มีการมาไม่มีการไปแล้วก็ตั้งอาศัยในวิมุตไม่ได้ตั้งอาศัยในที่ไหนตั้งอาศัยในวิมุตอย่างนี้นั่นก็คือทุกคนกลับคืนเข้าสู่สภาวะเดิมของตัวเองพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่า แม้วิราคะก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิราคะคำตอบพึงมีว่านิพิทาคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิราคะวิราคะจะมีได้ก็ต้องมีนิพิทาต้องเบื่อถึงจะมีการสลัดคืน หรือจางคลายซึ่งสิ่งนั้นไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือไล่ลำดับย้อนกลับนะ <c oughs> ปกติผู้เจ้าจะบอกว่ามีปสัสสิสุขสมาธินะยะถาภูตยานทัศนะนิพิทาวิราคะวิมุตนะวิมุตยานทัศนะแต่นี้พูดย้อนกลับว่าวิมุติยานทัศนะเนี่ยมีนะ แล้วก็ต in ั้งอาศัยในวิมุตต์วิมุตต์มีเพราะมันมีวิราคะวิราคะมีเพราะนิพพิธานิพพิธามีเพราะว่ามียะถาภูเจยาณาทัศนะนะคือการเข้าไปรู้ไปเหตุตามที่เป็นจริงการเข้าไปรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีเพราะสมาธิสมาธิมีเพราะสุขสุขมีเพราะว่าปัสสติปัสสติมีเพราะว่าปิตินะปิติมีเพราะปราโมทปราโมทมีเพราะศรัทธาศรัทธามีเพราะว่าทุกนะก็ ไล่ย้อนยันไป <c oughs> ทุกมีพ่ออะไรย้อนขึ้นใหม่แล้วทีนี้ย้อนขึ้นทุกมีเพราะชาติเหมือนกับกระดาษนี้ทุกกระดาษนี้เป็นทุกข์คือแตกสลายได้เพราะมันมีการเกิดขึ้นมานะนั้นทุกขในที่นี้คือทุกขังคือการแตกสลายนะไม่ใช่แค่ความโศกความร่ำไรําพันความพลิบพลายอะไรอย่างนี้แต่ก็คือการแตกสลายของสิ่งสิ่งนี้ ทุกข์สัต์ทุกในอาริสัตวก็คือการแตกสลายของสิ่งสิ่งนั้นสิ่งใดที่แตกสลายได้สิ่งนั้นถูกเรียกว่ากองทุกข์ทั้งหมดเสริมได้แตกสลายได้จะถูกเรียกว่ากองทุกข์พระเจ้าจึงบอกขันห้าเป็นกองทุกข์และความยึดในขันห้าก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันเพราะไปยึดในสิ่งที่แตกสลายตัวขันห้าก็เป็นทุกข์ด้วยการเข้าไปยึดในขันห้าก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกัน นะพอไปยึดในของที่ไม่เทียเ่ยงแปรเปลี่ยนนะเวลาเราชอบอะไรเราก็จะชอบขณะที่มันมีอั ส, สาธะคือมีรสอร่อยแต่พอมันเสื่อมปุ๊บเราก็ไม่ได้พอใจกับความเสื่อมของมันความทุกข์จึงเกิดขึ้นนะเราไม่ได้พอใจกับคนที่แก่ชราใกล้จะตายเราไม่ได้พอใจกับของที่เปื่อยผุพังเราต้องการของที่ดีแต่ของที่ดีนั้นไม่สามารถคงที่อยู่ได้มีความเสื่อม ความทุกข์ใจจึงเกิดขึ้นทุกซ้อนทุกอีกทีนะ <c oughs> และพระองค์ก็ไล่ย้อนไปว่าชาติมีเพราะพบพบมีเพราะอุปทานตันหาเวทนาผัสสะสลายตนะนะนำรูปวิญญาณสังขาร น, นะดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสังขารทั้งหลาย คำตอบพึ่งมีว่าอาวิชชาคือทำเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสังขารทั้งหลายนั่นก็คือสังขารทั้งหลายเนี่ยมันมีเพราะว่ามีอวิชชาคือความไม่รู้นั่นเองนะ <c oughs> ถ้ารู้แล้วสัพรพสังขารทั้งหลายไม่มีนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุดังกล่าวมานี่แลสังขารทั้งหลายชื่อว่ามีอวิชชาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย จากนั้นพระองค์ก็ไ <c oughs> ล่ไล่ลําดับเพิ่มไปใหม่อีกว่านะวิญญาณชื่อว่ามีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนะนามรูปอนะงค์ไล่มาตั้งแต่สังขารมียวิชาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิญญาณชื่อว่ามีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนามรูปชื่อว่ามีวิญญาณเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนะเห็นไหมวิญญาณ นามรูปนามรูปกับวิญญาณแต่ตรงนี้เปลี่ยนชื่อนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะเปลี่ยนชื่อจากนามรูปเป็นสังขารทั้งหลายเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้โยงว่าทั้งวิญญาณและนามรูปคือสรรพสิ่งทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอาวิชา <c oughs> เพราะถ้าสายปฏิจจยายันกันแค่วิญญาณกับ น, นามรูปนะชื่อตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่พอจะโยงไปถึงอวิชาสายปฏิจจ์ อีกแบบหนึ่งที่จะโยงไปถึงอวิชชาตัวนามรูปตรงนี้นะผู้เจ้าจึงเปลี่ยนเป็นสัพพสังขารทั้งหลายคือรวมวิญญาณด้วยทั้งหมดมีเพราะว่าไม่รู้อย่างนี้ <c oughs> น, นี่พระองค์ก็จะไล่าสายปฏิจจสมุปบาทไปจนถึงพบชาติชลาเมระนะจากนั้นก็ไล่ ย, ย้อนกลับว่าทุกมีเพราะศรัทธาศรัทธามีเพราะว่า ปรามโมทปิติปสัสสิสุขสมาธิยะถาภูตยานทัศนนิพิทาวิลาค่าวิมุตต์นะไล่ไปเรื่อยๆจนทั้งถึงวิมุตติยาทนทัศนะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย <c oughs> เปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆตกลงบนภูเขาน้ำฝนนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทำซอกเขาซอกผา และลำห้วยทั้งหลายให้เต็มครั้นซอกเขาซอกผาและลําห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทําบึงน้อยทั้งหลายให้เต็มบึงน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทําบึงใหญ่ทั้งหลายให้เต็มบึงใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทําแม่น้ําน้อยทั้งหลายให้เต็มแม่น้ําน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทําแม่น้ําใหญ่ทั้งหลายให้เต็มแม่น้ําใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทํามหาสมุทรให้เต็ม นี้ฉันใดดูก่อนพิสูจทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันเดียวกันนั่นแหลคือสังขารทั้งหลายชื่อว่ามีอวิชชาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิญญาณชื่อว่ามีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนามรูปชื่อว่ามีวิญญาณเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ส, สลายตนะ <c oughs> ชื่อว่ามีนามรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยภาษะ ชื่อว่ามีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยเวทนาชื่อว่ามีผัสสะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยตัณหาชื่อว่ามีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอุปทานชื่อว่ามีตัณหาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยภพชื่อว่ามีอุปทานเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยชาติชื่อว่ามีภพเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยทุกข์ชื่อว่ามีชาติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยศรัทธา ชื่อว่ามีทุกข so ์เป็นที Fourth, ่เข้าไปตั้งอาศัยปราโมท์ชื่อว่ามีศรัทธาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปิติชื่อว่าปราโมทเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปัสสิชื่อว่ามีปิติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสุขชื่อว่ามีปัสสติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสมาธิชื่อว่ามีสุขเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยยะถาภูตยันทัศน์ชื่อว่ามีสมาธิเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย <ersch> นิพิทาความเบื่อหน่ายชื่อว่ามียัถาภูตายานัทสนะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิราคะชื่อว่ามีนิพิทาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิมุตติชื่อว่ามีวิราคะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยยานในความสิ้นไปตรงนี้ก็คือวิมุตติญาทัทสนะชื่อว่ามีวิมุตติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยดังนี้แล้ว อันนี้ก็ไล่เหตุปัจจัยไ ป, <c oughs> ปรัสุด ต, ต่อไปที่ที่น่าสนใจแล้วก็แปลกก็คือ <c oughs> ผู้เจ้าก็ตรัสว่าอาวิชชาก็มีเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งของมันนะ องค์บอกว่าดูก่อนพิกษุท์ทั้งหลายที่สุดในเบื้องต้นของอวิชาย่อมไม่ปรากฏใครจะไปสาวหาว่าอวิชชาเกิดมาจากไหนผู้เจ้าบอกมันไม่ปรากฏก่อนแต่นี้อวิชชาไม่ได้มีก่อนแต่นี้อวิชชาก็ไม่ได้มีเหมือนกันแต่ว่าอวิชชาเพิ่งมีต่อภายหลังดูก่อนพิกษุทธทั้งหลายคำกล่าวอย่างนี้แหละเป็นคําที่ใครๆควรกล่าวและควรกล่าวด้วยว่า อวิชาย่อมปรากฏเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยดังนี้ดูก่อนพิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้อวิชานั้นก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชาคำตอบพึงมีว่านิวรณทั้งหลายหาประการเป็นอาหารของอวิชานี่เราได้ทราบแล้วว่า อาหารที่หล่อเลี้ยงอวิชาเอาไว้อยู่เรื่อยๆ เ, เนี่ยคือตัวนิวรเพราะฉะนั้นผู้เจ้าจึงให้กาจัดนิวรณ์ตั้งแต่การทำสมาธิขั้นแรกปฐมฌานจึงต้องปล่อยวางนิวรณ์ให้ได้ปล่อยวางนิวรหรืออกุศลทั้งหลายคือสามเรื่องการพยาบาติเปียนสมาธิปฐมฌานอะไรเป็นเครื่องวัดปฐมฌานอากุศลไม่มี อย่างที่หอย่างที่สเช่นว่านิวรณ์5ไม่มีเสียงไม่เป็นอุปสรรคนะวาจาดับกรรมสัญญาดับเนี่ยนี้นี่คือปฐมฌานเครื่องวัดเครื่องตรวจสอบเวลาเรานั่งสมาธิให้สังเกตตามนี้นะอย่าไปสังเกตอย่างอื่นสังเกตในกรอบที่พระเจ้าให้สังเกตนะ <c oughs> ดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้นิวรณ์ทั้งหลาย5ประการ ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่อะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์ทั้งหลาย5ประการคำตอบพึงมีว่าทุจลิตทั้งหลาย3ประการดังนี้ไอ้นิวร์5เนี่ยมันมีได้ก็เพราะกายทุจลิตวจีทุจลิตมโนทุจลิตมันจึงเป็นนิวรณ์ให้เรากายทุจลิตวจีทุจลิตมโนทุจลิตทั้ง3อย่าง มีขึ้นเพราะอะไรเป็นธรรมชาติมีอาหารเหมือนกันมันมีขึ้นเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ของเราพอเราทรงจิตออกนอกปุ๊บมันก็จะไปคลุกเคล้ากับอารมณ์อันเป็นที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเพราะเราไม่สำรวมอินทรีย์พระเจ้าจึงบอกว่าพอเราไม่สำรวมอินทรีย์มันจะเกิดกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและมันจะเป็นเหตุให้นิวรห้าเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นเหตุให้อวิชชาเนี่ยยืนยงต่อไปดำเนินต่อไป เราก็เลยต้องมานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเพื่อให้สํารวมอินทรีย์สํารวมจิตพอสํารวมจิตได้ปุ๊บผู้เจ้าก็เรียกว่าไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาททุจริตสาประการก็ไม่มีเพราะฉะนั้นปฐมฌานมโนทุจริตไม่มีละอากุศลไม่มีเห็นนะเมื่อมโนทุจริตไม่มีกายวาจาก็ไม่มีมีไม่ได้เพราะว่ามาจากใจเมื่อทุจริตทั้งหลาย3มอย่างไม่มีนิวรห้าก็จะไม่มีได้ปฐมฌานละนิวรห้าไม่มี อวิชาจะค่อยๆเริ่มจางคลายไปทีละเล็กทีน้อยไปเรื่อยๆอวิชาไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงนะ ก, ก็จะค่อยๆพอมลงไปนะนะถ้าถอยต่อไปการไม่สำรวมอินทรีย์มันมีเพราะอะไรมันมีเพราะว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะคืออะไรสติคือการระลึกได้เราไม่ยอมระลึกได้กลับมาที่กาย เมื่อระลึกไม่ยอมระลึกได้กลับมาที่กายก็แสดงว่าคนนั้นไม่สํารวมจิตอยู่กับกายไม่สํารวมจิตอยู่กับกายจิตมันก็ส่งออกนอกใช่ไหมอพอส่งออกไปปุ๊บก็จะไปสอดรับกับที่พระเจ้าตรัสว่าตาจะฉุดเอาพิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยงหูจะฉุดเอาพิกษุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงเห็ไนไหเพราะเราไม่สํารวมจิตอยู่ตรงนี้ อคอพระพุทธเจ้าจะสอนรับกันทุกพสูตรเลยน ะ, ะพยกมาเราจะเห็นภาพชัดเจนยิ่งเราศึกษาพุทธวจนะไปเราจะเห็นภาพของความสอดรับกันของคำพระตถาคตและตัวนี้แหละจะเป็นตัวยืนยันได้ว่าอันนี้คือคำพระพุทธเจ้าซึ่งตรวจสอบได้เป็นปจัจจตังด้วยตนเองเป็นสิกขีปูโตเป็นพยานในตนเองได้นั้นเวลาใครเขาบอกว่า <c oughs> จำผิดคาดเคลื่อนตกล่นลงลืมเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามาศึกษากันเลยพูดไปอย่างนั้นถ้าเข้ามาศึกษาแล้วจะรู้เลยว่าโอ้โ ห, โโหคำพุทธเจ้าเนี่ยสอนรับกันปั๊บป๊ป๊ปับไปหมดเลยนะซึ่งมนุษย์คนเดียวที่ทำได้พุทธเจ้าก็บอกคถาคตคนก็เนรทำไม่ได้นะเราจะยิ่งศรัทธาพุทธเจ้าว่าท่านไม่ได้ยกตัวเองเกินไปเลยนะ ย้อนเหตุปัจจัยต่อไปการที่เราไม่มีสติสัมปชัญญะก็เพราะว่าเราไม่โยนิโสมนสิการเพราะเรามีอโยนิสสมนสิกานะเมื่อเราไม่น้อมไปเพื่อหเห็นตามที่เป็นจริงเราก็จะขาดสติสัมปชัญญะเราก็จะส่งจิตออกนอกไปเรื่อยๆและการที่เราไม่ใคร่ควรนะธรรมะให้เห็นตามที่เป็นจริงก็เพราะว่า เราไม่มีศรัทธาพระพุทธเจ้าจึงบอกความไม่มีศรัทธาไล่ย้อนกลับมาพอไม่มีศรัทธาโยมก็จะไม่ไปปฏิบัติจะรักษาศีลทําไมจะนั่งสมาธิทําไมจะฝึกสติทําไมก็ไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาเพราะอะไรพรุทธเจ้าบอกเพราะไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ฟังธรรมเพราะอะไรเพราะไม่คบสัตตบรุษหรือไม่คบกัลยาณมิตรอืม ผู้เจ้าก็ตอนนี้จะหยุดอยู่แค่นี้ะในพระสูตรอื่นก็จะมีว่าไม่ครบกัลยาณมิตรเพราะว่ามันยังไม่มีทุกข์พอมีทุกข์ขึ้นมาปุ๊บก็เลยเริ่มครบกัลยาณมิตรหาคนช่วยแก้ทุกข์ให้หน่อยนะอันก็จะไล่ลําลดับอ่าสายของการเข้าใจธรรมะมาอย่างนี้อืมอันนี้ผู้เจ้าก็เลยตัดอยู่แค่การไม่ครบสัตบุรตร แล้วพระเจ้าก็เลยย้อนกลับมาใหม่ดูก่อนพิสษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลที่เมื่อการไม่ครบสัตบุตรเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทําการไม่ได้ฟังพระสัตธรรมให้บริบูรณ์เมื่อเราไม่ครบคนดีเลยนะเราไม่มีทางได้ฟังธรรมแน่นอนนะเมื่อเราไม่ได้ฟังธรรมก็ทำให้เราไม่มีศรัทธา นั้นเราไม่ฟังธรรมเช่นว่าเราไม่มาศึกษาพุทธวจนะเราก็จะมีศรัทธาในพุทธวจนะเพราะเราไม่รู้ว่าพูะเจ้าพูดอะไรยังไงนะอ่า <c oughs> ไม่มีก็เพราะว่าไม่มีคนมาชี้ชวนนะอ่านั้นก็เลยต้องชี้ชวนให้เยอะๆเพื่อให้เราเข้าไปศึกษาก็คือเหมือนไปฟังธรรมพระเจ้านั่นเองซึ่งจะทำให้พวกเราเนี่ยเกิดมีศรัทธาและเกิดโยนิสมนสิการขึ้นมา <c oughs> นิกรณีนี้เป็นกรณีปฏิเสธเมื่อไม่ฟังธรรมก็ไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาก็ไม่โยนิโสมนสิการเมื่อไม่โยนิโสก็ไม่มีสติเมื่อไม่มีสติก็ไม่สํารวมเมื่อไม่สํารวมก็ทําให้ทุจริตทั้งหลาย3ประการเกิดขึ้นเมื่อทุจริตทั้งหลาย3ประการก็เกิดนิวรนกังวลวิตกกังวล น, น ะ, นะเกิดวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาอ่าล่ะทีนี้ก็คือจะทําให้อวิชชาบริบูรณ์ขึ้นมา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 ไล่ไปเรื่อยๆจนกทั้งลงไปถึงมหาสมุทรเลยนะอันนี้ประสูตยที่สองเอาไว้แค่นี้ก่อนนะ